ความตรึกถึงญาติให้เจริญความตรึกถึงชนบทความตรึกถึงเทวดาหรือตรึกถึงความไม่ตายเนี่ยนะหรือตรึกถึงความที่เอ็นดูผู้อื่นหมายถึงไปคลุกคลีเขาทุกข์กทุกข์เขาทุกข์กัทุกข์เขาเาสุข ก, กสุขเขาเนี่ยนะหรือยังวิตกที่ปฏิสังยุตต์ด้วยลาบสการะและความสรรเสริญให้เจริญคือคี้แต่จะเอาลาบสการะเป็นต้น นั้นเป็นเครื่องยังวิตกอันปฏิสังยุตด้วยความปราถนาะไม่ให้ใครดูหมินให้เจริญคือไม่ต้องการให้ใครดูถูกดูหมินเราเนี่ยนะกีติอยู่เท่านั้นไม่ต้องการให้คนดูถูกเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ไม่ยินดียิ่งในคำเหล่านั้นคือคาทั้งหมดที่ที่ฟังมาเนี่ยนะบอกว่าข้าพระองค์ไม่รู้ไม่เข้าถึงไม่ได้เฉพาะสรุปว่าในการอื่นก่อนจาก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 คำของบุคคลทั่วๆไปเนี่ยยังอกุศลวิตกให้เจริญทั้งนั้นเลยข้าแต่พระมุนีขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมะเป็นเครื่องกำจัดตัณหาที่บุคคลรู้แล้วเป็นผู้มีสติเที่ยวไปพึงข้ามตัณหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกแก่ข้าพระองค์เถิดเนี่ยนะมันขอให้พระองค์โปรดตรัสบอกธรรมะเนี่ยนะ คำว่าธรร ม, มะเนี่ยนะก็คือขอพระองค์ทรงประกาศพรหมจรรย์อันงามในเบื้องต้นงามในท่ากลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัถฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิน้นชงธรร ม, มะที่กล่าวอะไรบางก็สติปทาน4ี่สัมมาปทาน4อิทธิบาท4อินทรีห้าพละหโพชงเจ็อริยมรรคมีองค์8นิพพานและข้อปฏิบัติอันให้ถึงนิพพาน เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าขอพระองค์เนี่ยโปรดตรัสบอกธรรมะก็คือบอกนิพพานบอกข้อปฏิบัติให้บรรลุนิพพานนั่นเองพันที่บุคคลรู้ธรรมะอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นเครื่องกำจัดตัณหาเนี่ยนะตัณหาก็คือรูปปัตหาสัทตัณหาคันธัตัณหาราสาตัณหาโททัพธาตัณหาธรรมะตัณหาในเรียกว่าตัณหาธรรมะที่เป็นเครื่องกำจัดตัณหา เครื่องกำจัดตันหาก็คือเครื่องปราบตันหา <Spencer> เป็นเครื่องละตันหาเป็นเครื่องสงบตันหาเป็นเครื่องสละคืนตันหาเป็นเครื่องระงับตันหาเป็นอมตะนิพานอันพระนิพานที่เป็นอสังขตะธรรมอสังขตะธาตุ น, นี่แหละ <conclusion> เป็นเครื่องกำจัดเป็นเครื่องละเป็นเครื่องปราบละสงบสละคืนระงับดับตันหาได้เด็ดขาด <schaut> ที่บุคคลรู้แล้วนะรู้ธร ร, รมะดังที่กล่าวไปเนี่ย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 อาสวะอาสวะสมุทรไทยอาสวะนิโรธอาสวะนิโรธาขามินีปฏิปทาอภินญ ย, ยธรรมปริญยยธรรมปหาตประธรรมสัจจิกาตประธรรมภาเวตปธรรมตนถึงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวนล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่แหละรเรียกว่าบุคคลรู้แล้วคำว่าเป็นผู้มีสติเที่ยวไปก็คือมีสติคือเป็นผู้มีสติด้วยอาการสี่อย่างคือเป็น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 ันผู้ที่รู้อริยสัจแล้วมีสติในสติปฐานสี่เป็นต้นเนี่ยเที่ยวไปก็คือเที่ยวไปเที่ยวไปทั่วผลัดเปลี่ยนอริยาบทเป็นไปรักษาเยียวยาให้เยียวยาเพราะฉะนั้นที่บุคคลรู้คือรู้อริยสัจมีสติปฐานสี่เป็นต้นเนี่ยเนะที่ยวไปในอริยาบทสตันหาเรียกว่าวิสัติกาเนี่ยนะคำว่าพึงข้ามตันหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลก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 พระนิพพานที่เป็นเครื่องกำจัดตันหาที่บุคคลรู้แล้วคือรู้อริยสัจอย่างนี้ก็เป็นผู้มีสติเที่ยวไปในอิริยาบทสี่พึงข้ามตันหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกแก่ข้าพระองค์เถิดเนี่ยนะ น, น่าคิดนะไวไปยังไงนะที่ไม่มีตันหาเกาะเกี่ยวกับทุกอารมณ์นะคำนวนว่าคุณบุญโชเนี่ยขับรถผ่านเชียงใหม่เนี่ยนะไม่ติดข้องแม้แต่นะอารมณ์เดียวเลยนะนะทาได้ไงอะ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 ก็ในสิ่งที่เห็นเห็นเห็นด้วยจักสุได้ยินด้วยหูทราบด้วยจมกูกด้วยลิ้นด้วยกายรู้ด้วยใจคาว่าปีรูปสาตรูปทั้งหลายปีรูปสาตรูปรูปตัวนี้นี่แปลว่าสภาวะนะปีรูปก็คือสภาวะที่น่ารักนะต้องสภาวะที่น่ารักถ้าผู้ชายก็ต้องเห็นผู้หญิงที่น่ารักเนี่ยแล้ ว, ลวข้ามด้วยตัข้ามตันหาได้อะ ถ้าผู้หญิงก็เห็นชายหน่มรูปงามที่เรียกว่าเป็นชายในฝันอะไอยงเ้ยเห็นแล้วไม่มีตัณหาอยู่เลยนะนลักษณะนั้นนะไม่ใช่ไปเห็นกางห้องกางแง่งพิโกงพิการตุ่มเต็มตัวไปหมดบอกละเอะระยะสุดท้ายยางไงโอ้ย่างางี้ตัณหาไม่สนใจหรอกนะต้องเอาเรียกว่าเอาบุคคลในฝันที่เรียกว่าฝันอย่างนี้มานอนแลว้ว น, น, นะนะที่เรียกว่าสภาวะที่หน้าพอใจจริงๆอิงกันนะต้องผมขนเล็บฟันหนังที่สวยเสด็จจริงๆเลยแหละอย่างเงี้ยแล้ว